การทำความเข้าใจเรื่องกบปฏิบัติเรื่องสำคัญอันหนึง่ง mm hmm. การเกิดตัวสุตตะมิยปัญญากับจินตามิมยปัญญากรฟังแล้วเข้าใจถูกต้องเวลาไปทาเราก็จะไม่อลังเลนะแต่ว่าในช่วงที่เราไปทาเนี่ยเรามักจะไปทําตามที่เราคิดไม่ได้นึกถึงตอนที่เราพูดคุยกันตรงนี้คงจะอาศัยกันและลึกบ่อยๆเอาว่า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 บางครั้งเราก็รู้แล้วก็ชอบบางครั้งก็รู้แล้วไม่ชอบบางครั้งรเราก็รู้แล้วก็เฉยเฉยรู้สามอาการเนี่ยคนที่ฝานกลางก็จะรู้มากขึ้นมาหน่อยไม่ใช่เรายุอยู่รู้เคลื่อนอย่างเดียวละรู้ว่าถ้ามีการกระทบจะเหยียบเนี่ยรู้สึกเป็นไงใจชอบใจชอบทีจ่จะไม่ชอบใจคิดหรือใ จ, ใจไม่คิดหรือใจเฉยเฉยคนปานกลางก็จะรู้ขึ้นมาถึงเรื่องความเวลาเหยียบเวลายก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 ชอบไม่ชอบมีือเฉยๆจะรู้ลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคุณปั่นกลางถ้าว่ารู้ในระดับรูปนามก็จะลึกเข้าไปทีนี้สําหรับผู้ที่มีประสบการณ์รู้รูปนามเริ่มรู้ปรมัตา์บ้างแล้วนั่นก็จะไปรู้ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยรู้พร้อมตอนหดเจีย่เท้าวไหมเวลาเหยียบไปความกระเทือนของเท้าที่ก้าวเหยียบทะลุไปถึงไหน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 ปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้ใหม่ก็คือความขี้เกียจความง่วงความฟุ้งซ่านความเบื่ออันนี้เป็นปัญหาสาหรับคนใหม่ปัญหาสำหรับคนปานกลางก็คือความคิดความปุงแต่งความชอบความไม่ชอบความอยากคนปานกลางก็จะมาติดอยู่นี้ปัญหาสาหรับคนที่มีประสบการณ์รูปปรัติแล้วปัญหาก็คือไปติดติดสงบติดพอใจในสิ่งที่ละเอียดติดนิ่ง